ศีลวินัยสิกขาบทคำสอนและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสังคมในขั้นศีลเป็นเรื่องใหญ่มีขอบเขตกว้างเป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอกเป็นความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอื้ออำนวยให้บำเพ็ญกิจที่ดีงามยิ่งขึ้นไปเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนา เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปทั้งนี้เนื้อหาส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับพระภิกษุโดยตรงแต่ก็เป็นสิ่งที่ข้ารือหัสชาวบ้านควรศึกษาและรู้ให้ชัดให้ถูกต้องซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อตนเองและสังคมในการสืบทอดพระศาสนาได้ตรงทางต่อไปรวมถึงได้เข้าใจหลักสำคัญในทางธรรมที่โยงถึงกันในเชิงลึกป้องกันการปรามาดโดยเข้าใจหลักศีลและวินยัยผิดพลาดและเพื่อความรู้ชัดว่า ท่านใดปฏิบัติถูกต้องควรแก่การเคารพนับถือและบูชาหรือไม่ก็ให้เกิดมงคลอย่างยิ่งแก่ตนตามหลักมงคลละสูตรในข้อที่ว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาโดยการแยกแยะพระดีกับพระปลอมออกจากกันได้ชาวพุทธทุกคนควรได้ศึกษาเรื่องศีลและวินัยของพระให้เข้าใจอย่างน้อยในหลักการเบื้องต้นอย่างถูกต้องว่ามีข้อห้ามและมีข้อยกเว้นอย่างไร ซึ่งต้องเข้าใจจริงในจุดประสงค์ที่ต้องการของการบัญญัติข้อห้ามหรือข้อปฏิบัตินั้นๆแนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติ ม, ตมจากหนันงสือวินัยมุกซึ่งเป็นหนันงสือที่หลวงปู่มั่นท่านชื่นชมและแนะนำสิทธิ์ว่าควรได้ศึกษาให้เข้าใจเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญแห่งการบำเพ็ญสมณธรรมซึ่งชุมรมผลดีจะจัดทาเป็นเสียงงานต่อไปในอนาคตนะครับ พุทธธรรมฉบับปรับขยายตอนว่าด้วยชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรบทที่19บทความประกอบที่สองศีลกับเจตนารมทางสังคมสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตตัวอย่างหัวข้อภายในอธิบายคำสำคัญในชุดของศีลคือศีลวินัยสิกขาบทศีลระดับธรรมะศีลระดับวินัย ตัวอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเพื่อเชื่อชูธรรมความดีงามและประโยชน์สุขของสังฆะและสังคมการกราบไหว้ตามแก่อ่อนพรรษาพุทธบัญญัติห้ามภิกษุอวดอุตริมนุษธรรมทำไมจึงทรงยกย่องสังฆทานว่ามีผลมากที่สุดหัวใจของวินยัยวินัยในความหมายที่กว้างใหญ่เลยจากศีลความหมายบางอย่างของวินัย การปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพระหูชนและความเคารพทำเคารพวินัยเป็นต้นอ่านโดยอริยคุณร่วมจัดทำโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัต์สิริรัตน์อัศาวามงคลพันธ์นภัชชาทวินกมลพัฒเจ้าภาพรองครอบครัวสีโพคาครอบครัวเอี่ยมวงศรีครอบครัวสิวอินสุเมรคุ้มวงวิชยดามุงวิชาญานินเวงเกต ครอบครัรวเกิดสุคนครอบครัรวเจริญวงชันธนาเบิกบานซอภาทัชวดีพระมารานนทิพสุดาวันนะกิติพรตรีสุภการร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากท้ายเรื่องสัภาทธานังธรรมทานังชินนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปด้วยธรรมจะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกๆด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกัน